สันวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระอริยบุคคลหลายระดับก็กาสัมนวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระเสขกับพระอรหรันในประเสัสูตรและต่อด้วยสมัติสูตรสังยุตติกายมหาวารวัตรท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปหาท่านพระอนุรดถึงที่อยู่ ครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุธว่าท่านอนุรุดเรียกกันว่าพระเสขะพระเสขะด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระเสขะพระอนุรดตอบว่าเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้แล้วบางส่วนจึงเป็นพระเสขะพระสารีบุตรถามอีกว่าท่านอนุรุธเรียกกันว่าพระอาเสขะพระอาเสขะ ด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระอาเสขะพระอนุรุตตอบว่าเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เต็มบริบูรณ์จึงเป็นพระอา เ, ขออาเสะา 4, เเะาเขะในเทวทสูตรสังยุตตนิกายสลาญตานวัตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดทุกรูปมีกิจที่ต้องกระทำด้วยความไม่ประมาทในผัสสะญตนะ คือในอาญาตนะสําหรับรับรู้ทั้งหกและเราก็ไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดตุกรู้ไม่มีกิดที่จะต้องทําด้วยความไม่ประมาทในผัสสารญาตนะคือในอาญาตนะสาหรับรับรู้ทั้งหกภิกษุทั้งหลายภิกษุเราใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกท้วนสําหรับภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่า ไม่มีกิจที่จะต้องทําด้วยความไม่ประมาทในปัตสายตนะทั้งหข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิจที่ต้องทําด้วยความไม่ประมาทอันพิสุเหล่านั้นทําเสร็จแล้วพิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะประมาทส่วนพิสุเหล่าใดเป็นเสคะยังไม่บรรลุอรหัตผลยังปรารถนาอยู่ซึ่งทําอันเป็นโยคเกษมที่ยอดเยี่ยมคืออรหันตภาวะ สำหรับภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีกิจที่จะต้องทําด้วยความไม่ประมาทในผัสสะยตนาทั้งหกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ารูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุเสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโ้งดัพด้ั้พึรู้ทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยกาย ธรรมารมทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยใจย่อมมีทั้งที่เรื่อนรมใจบ้างไม่เรื่อนรมใจบ้างรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะและธรรมารมทั้งหลายเหล่านั้นถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วรับรู้เข้ามาแล้วรับรู้เข้ามาแล้วย่อมครอบงำจิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทไม่ได้เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงำก็เป็นอันได้เริ่มระดมความเพียรไม่ย่อ ย, ย่อนสติก็กำกับอยู่ ไม่เผลอกายก็ผ่อนคลายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเราเล็งเห็นผลแห่งความไม่ประมาทดังนี้แหลจึงกล่าวสำหรับภิกษุเหล่านั้นว่ามีกิจที่ต้องกระทำด้วยความไม่ประมาทในผัสสะยตนาทั้งหกในเสกสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลาย ปริยายหรือแนววิธีที่เมื่อได้อาศัยแล้วภิกุเสขะดำรงอยู่แล้วในเสขภูมิก็รู้ชัดได้ว่าเราเป็นเสกขะภิกษุอเสกขะดำรงอยู่แล้วในอเศขภูมิก็รู้ชัดได้ว่าเราเป็นอเศคขะในข้อนี้ภิกษุเสคขะดำรงอยู่แล้วในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าทุกข์คือดังนี้ ทุกขะสมุทัยคือดังนี้ทุกขนิโรธคือดังนี้ปฏิปทาให้ถึงทุกขนิโรธคือดังนี้นี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่มาได้อาศัยแล้วภิกขุเสขะดำรงอยู่แล้วในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นเสขะอีกประการหนึ่งภิกษุเสขะย่อมพิจารณาดังนี้ว่าสมณะหรือพรามอื่น ภายนอกจากธรรมะวิ น, นัยนี้มีบ้างไหมหนอที่แสดงธรรมซึ่งจริงแท้แน่เหมือนดังพระผู้มีพระภาคเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากธรรมวิ น, นัยนี้ไม่มีเลยหนอที่แสดงธรรมซึ่งจริงแท้แน่เหมือนดังพระผู้มีพระภาคนี้ก็เป็นปริยายหนึ่งอีกประการหนึ่ง ภิกษุเสขาย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้งห้าคือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญญทรีย์อินทรีย์ทั้งห้ามีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุดมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นจุดหมายเธอสัมผัสด้วยนามากาอย่างไม่ได้เป็นแต่เห็นปลุโปรงด้วยปัญญานี้เป็นปริยายหนึ่ง ที่รู้ชัดได้ว่าเราเป็นเสขะในข้อนี้ภิกษุอาเสขะย่อมรู้ชัดอินสีทั้งห้าคือสัตทินรีวิริยนินรีสตินสีสมาธินรีปัญยินรีอินสีทั้งห้ามีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุดมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นจุดหมายเธอทั้งสัมผัสอยู่ด้วยนามากาย และเห็นปรุปโปร่งด้วยปัญญานี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อได้อาศัยแล้วภิกษุอเสขะดํารงอยู่แล้วในอเซขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นอาเสขะอีกประการหนึ่งภิกษุอาเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้งหคือจักขุนสีโสตินรีคานินรีชิวหินรีกายินรีมณินรี เธอรู้ชัดว่าอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้แลจักดับไปหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่เหลืออยู่เลยและอินทรียหกเหล่าอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นณที่ไหนๆเลยนี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่รู้ชัดว่าเราเป็นอาเซขะในภูตะมิทสูตรสั่งยุตินิกายนิทานวัตรพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตร บุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่านี้คือสิ่งที่เกิดมีครั้นเห็นดังนั้นแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติดเพื่อหมดใครเพื่อความดับแห่งสิ่งที่เกิดมีนั้นเขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดมีนั้นเกิดมีได้เพราะสิ่งนั้นนั้นเป็นอาหารครั้นเห็นดังนั้นแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหายติดเพื่อความหมดใคร่ เพื่อความดับแห่งสิ่งที่เกิดมีเพราะอาหารเขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าเพราะสิ่งที่เป็นอาหารนั้นนั้ น, น, นดับไปสิ่งที่เกิดมีก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเห็นดังนั้นแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหายติดเพื่อความหมดใครเพื่อความดับไปแห่งสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้แลเป็นเสขะสารีบุตร อย่างไรล่ะจึงจะเป็นสังขารตธรรมเป็นผู้สํารวจธรรมเสร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วบุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่านี่คือสิ่งที่เกิดมีครั้นเห็นดังนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความหายติดหมดใคร่ดับได้ไม่ถือมั่นสิ่งที่เกิดมีเขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดมีนั้น เกิดมีได like in ้เพราะสิ่งนั้นๆเป็นอาหารครั้นเห็นดังนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะหายติดหมดใครดับได้ไม่ถือมั่นสิ่งที่เกิดมีเพราะอาหารเขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าเพราะสิ่งที่เป็นอาหารนั้นๆดับไปสิ่งที่เกิดมีก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเห็นดังนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะหายติดหมดใคร ดับได้ไม่ถือมั่นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้แหลเป็นสังขาตธรรมเป็นผู้สำรวจธรรมเสร็จแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วในสักสูตรอังคุตระนิกายติกานิบาต ท, ท่านพระอ น, นุนกล่าวกับเจ้ามหานามสั ก, กยะโดยกล่าวถึงศีลอย่างเสขะและสมาธิอย่างเสขาแล้วกล่าวต่อไปว่าท่านมหานาม ปัญญาอย่างเสกขะคืออย่างไรภิกษุในธรรมมวินัยนี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทยัยนิทุกขานิโรดนิปฏิปทานำไปสู่ทุกขานิโรดนี้เรียกว่าปัญญาอย่างเสกขะอริยสาวกนั้นนั่นแลผู้ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ได้ประจักษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้ศีล ส, สมาธิและปัญญาในกรณีนี้เป็นอัศเสขาทั้งหมดในเสกสูตรที่หนึ่งอังคุตรนิกายติกนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะศึกษาอยู่แลฉะนั้นจึงเรียกว่าเสะศึกษาอะไรเล่า ศึกษาทั้งอธิศีลศึกษาทั้งอธิจิตศึกษาทั้งอธิปัญญาเพราะศึกษาอยู่แลฉะนั้นจึงเรียกว่าเสขะในเสขสูตรสังยุตติกายมหาวาระพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมัมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาญามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิที่เป็นเสขะด้วยเหตุเพียงนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นเสขะในอเสขสูตรอังคุตรนิกายทัสกนิบาศพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญานสัมมาวิมุติ ที่เป็นอเสขะอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอเสขะในโลมาสกังพิยสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวัท่านพระโรมาสกังพยิยะแสดงความแตกต่างระหว่างเสขวิหารกับตถาคตาวิหารว่าพระเสขะอย่างละนิวรห้าอยู่ส่วนพระอรหันต์กาจัดนิวรห้าได้หมดสิ้นเด็ดขาดแล้วคำพีอภิธรรมจำกัดความว่า บุคคลผู้เป็นมัคสมังคีสี่และผู้เป็นผลสมังคีสามชื่อว่าเสขะพระอรหันต์ชื่อว่าอะเสขะบุคคลเหลือจากนั้นเป็นเสขะก็ไม่ใช่อะเสขะก็ไม่ใช่